เรื่องสำคัญบนพื้นฐานของความเข้าใจว่ากฎมนุษย์ต้องอยู่บนฐานของกฎธรรมชาติต้องสอดคล้องกับกฎธรรมชาติจึงจะได้ผลที่ต้องการจากกฎธรรมชาติเรื่องที่สองดังได้กล่าวแล้วว่าวินัยตั้งอยู่บนฐานของธรรมและเพื่อธรรมแต่แยกออกเป็นคนละระบบเหมือนเป็นเรื่องต่างหากกันธรรม เป็นเรื่องของความจริงแท้ในธรรมชาติส่วนวินัยเป็นเรื่องสมมติของมนุษย์พอถึงตอนนี้พูดต่อไปอีกว่าวินัยใช้สมมติมาจัด ก, การหมุนทำได้ถ้าพูดเป็นสำนวนภาษามนุษย์ตามสมมตินั้นก็บอกว่าเราเอาวินัยมาบังคับทำหรือไม่จำเป็นต้องรอทำก็ได้ขอให้ดูตัวอย่างข้อพิจารณานี้ว่า คนทำกรรมชั่วฝ่ายทำว่ามีกฎธรรมชาติเป็นกฎแห่งกรรมเขาจะได้รับผลตามกรรมของเขาแต่วินัยไม่รอวินัยที่เป็นกฎมนุษย์จึงตั้งกรรมสมมติขึ้นมาและนำผู้กระทำความผิดเข้ามาในกลางที่ประชุมและลงโทษวินัยไม่รอทำจึงไม่รอกรรมตามธรรมชาติวินัยจัดการทันทีด้วยกรรมสมมติ โดยใช้กฎมนุษย์พร้อมกันนี้ก็มีคำทักท้วงติงเตือนชาวพุทธอีกด้วยว่าในเรื่องอย่างนี้ยังมีชาวพุทธที่วางท่าทีไม่ถูกต้องบางคนถึงกับพูดว่าใครทำกรรมชั่วเราไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาก็ต้องได้รับผลกรรมของเขาเองคนที่มองอย่างนี้แสดงว่าพลาดแล้วยังมองไม่ถึงความจริงหรือมองไม่ตลอดสายยังไม่เข้าถึงวินยัย ยังไม่ทั่วถึงธรรมทาไมจึงพูดอย่างนั้นขอให้มองดูความเป็นจริงพิจารณาเหตุผลให้ชัดเจนที่บอกว่ามีระบบธรรมชาติของธรรมกับระบบสมมติของวินัยแยกเป็นสองระบบนั้นพอพูดกันไปพูดกันไปบางทีก็ชักเพลินเห็นไปว่ามีสองระบบแยกต่างหากกันจริงๆเหมือนอย่างที่แยกว่าเป็นโลกของธรรมชาติ โลกของมนุษย์คือสังคมแต่ความจริงที่แยกอย่างนั้นก็เพื่อความสะดวกในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆเท่านั้นจึงต้องเตือนกันว่าระวังอย่าหลงเห็นเป็นความจริงจบไปชั้นเดียวแค่นั้นเมื่อมองกว้างออกไปมองให้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆก็เห็นอยู่ชัดๆว่ามนุษย์นี้เองตัวคนนี้เองก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง หรือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรอะไรของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะทำอะไรอะไรในที่สุดก็ถึงกับธรรมชาติไปเป็นธรรมชาติอยู่ดีอย่างที่ท่านแยกให้ว่าการกระทําของมนุษย์เรื่องที่คนทําอะไรอะไรเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเรียกว่ากรรมมนิยามเหมือนเป็นกฎอื่นต่างหากไปแต่ที่จริงกรรมมนิยามนั้นก็คือกฎธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทดังที่ว่ามาแล้วเพียงแต่แยกออกมาพูดต่างหากเพื่อให้ชัดเจนเป็นด้านด้านกันไปดังนั้นที่ว่าทรรมกับวินัยเป็นสองระบบนั้นแท้จริงก็แยกเพื่อความสะดวกในการพิจารณาเรื่องราวให้เป็นขั้นเป็นตอนพอมองกว้างออกไปให้คลุมทั้งหมดทั้งสิ้น ระบบของวินัยก็เชื่อมกลืนเข้าไปในธรรมที่เป็นระบบใหญ่อันเดียวถึงตอนนี้ก็ต้องถามว่าแยกที่ไหนอย่างไรและเชื่อมที่ไหนอย่างไรขอให้ดูง่ายๆคนมีการเคลื่อนไหวชนิดที่ไม่เป็นไปเพียงเรื่อยๆเลยอ ย, อยไม่เหมือนอย่างกิ่งไม้ใบไม้ที่ถูกลมพัดก็สั่นไหวแกว่งไกวไปมาตามลมตามแรงอื่นข้างนอก ไม่ใช่อยู่ๆก็แว่งขึ้นมาเองแต่คนสั่นขาแกว่งแขนเองได้หรืออย่างว่าเมื่อชายคนหนึ่งเดินมาพอดีจังหวะกิ่งไม้ผุร่วงหล่นลงมาถูกศรีษะแตกบาดเจ็บนี่ก็ไม่เหมือนกับมีคนอีกคนหนึ่งหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาแล้วตีลงบนศรีษะของชายคนนั้นหรือแม้แต่ว่าคนผู้นั้นตกต้นไม้ลงมาทับศรษะชายคนนั้นพอดีอะไรเป็นความแตกต่างระหว่าง ใบไม้ร่วงหรือกิ่งไม้หล่นโดนศีรษะคนแตกกับคนที่แกว่งแขนไกวขาหรือหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาตีศีรษะคนอื่นก็ตอบง่ายๆว่ากิ่งไม้ใบไม้ไม่มีการกระทำแต่คนมีการกระทำแล้วถามลึกลงไปอีกว่าคนต่างจากกิ่งไม้ใบหญ้าและบรรดาธรรมชาติอย่างอื่นตรงที่มีการกระทำนั้น การกระทาของคนคืออะไรเกิดขึ้นเป็นมาอย่างไรถ้าตอบอย่างชาวบ้านก็บอกว่าเพราะคนมีจิตมีใจไม่ใช่เป็นแค่อิฐแค่ปูนแต่นี่ก็ตอบกว้างเกินไปถ้าตอบให้ตรงจุดเลยก็บอกว่าเพราะคนมีเจตนาและการกระทาคือกรรมของเขาก็เกิดจากเจตนาหรือเจตนานั่นแหละเป็นการกระทาเป็นกรรมเป็นตัวกระทา เจตนาคือเจตจำนงความจำนงจงใจความตั้งใจการเจาะจงเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาจะเอาอันไหนจะเอาจะทำอย่างไรเป็นตัวหัวหน้านาแสดงที่พาแรงจูงใจความดีความชั่วโลภโทสะโมหะหรือตัณหามานะทิฐิหรือที่ตรงข้ามเช่นเมตตาและปัญญาออกรงมาแสดงตัวทาการต่างๆทั้งหลาย เรื่องของคนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์ตั้งแต่การตั้งสมมติการวางกฎกติกาการบัญญัติการจัดสรรการแต่งเรื่องราวกิจการงานอาชีพการบ้านการเมืองเทคโนโลยีวัฒนธรรมอารยธรรมเกิดจากการกระทําของคนมีเจตนาเป็นตัวกําหนดจัดสรรบรรดาลให้เป็นไปคนเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งและเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่ง ในระบบแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติเจตนาในตัวคนนั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่อยู่ในระบบเหตุปัจจัยของธรรมชาตินั้นแต่ในบรรดาองค์ประกอบอะไรๆมากมายในตัวคนนั้นเจตนาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เท่ากับเป็นตัวแทนของคนทั้งหมดเป็นที่หรือเป็นช่องทางแสดงตัวของคนโดยออกมาเป็นการกระทาเริ่มแต่คิดแล้วก็พูดหรือลงมือลงเท้าทำ ทีนี้ในฐานะที่เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาตินั้นเจตนาเป็นตัวแปรเจ้าใหญ่ที่พลิกผันเปลี่ยนแปลความเป็นไปให้ปรากฏเป็นไปได้ในลักษณะและอาการต่างๆหลากหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกลายเป็นแดนใหญ่ในระบบเหตุปัจจัยนั้นอันควรใส่ใจพิจารณาศึกษาหรือจับตามองเป็นพิเศษจึงจัดแยกออกมาเป็นกฎธรรมชาติส่วนย่อยอันหนึ่ง ดังที่เรียกว่ากรรมมนิยามหรือกฎแห่งกรรมที่ได้แสดงหลักให้ดูแล้วข้างต้นเป็นอันว่าโลกมนุษย์หรือสังคมนี้เป็นแดนของกรรมมนิยามและเจตนานั่นแหละเป็นตัวทำกรรมหรือพูดสั้นๆว่าเจตนาเป็นกรรมหรือกรรมก็คือเจตนาอยู่ที่เจตนา เมื่อวินัยจัดการในระบบแห่งสมมติของสังคมนั้นก็จัดไปตามเจตนาหรือจัดด้วยเจตนานั่นเองและไม่ว่าจะปฏิบัติจัดทำอะไรทุกอย่างนั้นก็เกิดจากเจตนาและถึงแม้จะเป็นเรื่องของสังคมแต่ในที่สุดก็เป็นอันเข้าไปเป็นเหตุปัจจัยร่วมอยู่ในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติไม่หายไปไหนทีน่นี้มนุษย์ที่ดีมีปัญญา เมื่อใช้วินัยจัดการสมมติในสังคมนั้นก็ต้องการให้สังคมดีคือให้มนุษย์ที่อยู่รวมกันนั้นอยู่ดีทำดีมีความเรียบร้อยสงบสุขคือให้เป็นสังคมที่ดำเนินไปถูกต้องตามธรรมพูดสั้นๆว่าให้เป็นสังคมที่มีธรรมถึงตอนนี้มนุษย์ที่ดีมีปัญญาดังว่านั้นก็เอาวินัยมาจัดระบบสมมติของตัว ให้ประสานบรรจบกับระบบแห่งธรรมของธรรมชาติในทางที่จะเกิดเป็นผลดีที่ต้องการแก่คนหรือแก่สังคมมนุษย์นั้นพูดง่ายๆนี่ก็คือรู้จักจัดการเหตุปัจจัยให้ดีได้อย่างฉลาดนั่นเองพูดอีกไนยะว่าเข้าถึงเหตุปัจจัยซ้อนสองชั้นตอนนี้พูดสั้นๆก็คือคนมีเจตนาที่ดี หรือเจตนาเป็นกุศลแล้วนี่ก็คือเขาทำกรรมดีอย่างหนึ่งนั่นเองแต่ทำอย่างไรจึงจะเกิดผลสาเร็จตามเจตนาที่ดีนั้นได้คือจะทำอะไรให้เหตุปัจจัยในกระบวนการของธรรมชาติในระบบของธรรมนั้นดำเนินไปจนให้เกิดผลดีที่ตนต้องการก็ตอบง่ายๆว่าต้องรู้เหตุปัจจัยที่จะให้เกิดผลอย่างนั้นแล้วก็ทาเหตุปัจจัยนั้นนั้น ตรงนี้ก็มาถึงเจ้าบทบาทสำคัญอีกตัวหนึ่งคือปัญญาและปัญญานี้ก็อยู่ในตัวคนนี่เองเป็นคุณสมบัติเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของคนปัญญาก็จึงเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งและเมื่อมันออกโรงมันก็เข้าไปเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งร่วมด้วยในกระบวนการของธรรมชาติปัญญานี้สำคัญยิ่งนักเพราะเป็นตัวที่รู้ธรรมชาติได้ถ้าพัฒนาขึ้นไปพัฒนาขึ้นไป ก็ยิ่งรู้กว้างลึกเต็มรอบทั่วตลอดจนครบท้วนบริบูรณ์ทั้งหมดเรียกว่าเข้าถึงธรรมเลยทีเดียวเมื่อเจตนาดีอยู่แล้วมามีปัญญารู้เหตุปัจจัยทั่วรอบถึงตลอดปัญญาก็บอกให้ว่าจะต้องทําอะไรทําอะไรแล้วเจตนาก็ทําเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดผลดีอย่างนั้นก็ใช้สมมติในระบบของวินัยนั่นแหละปฏิบัติการให้การทําเหตุปัจจัยดําเนินไปจนเกิดผลที่ว่าจะให้สังคมดี มีธรรมยิ่งกว่านั้นอย่างที่ว่าเมื่อมีเจตนาที่ดีบริสุทธิ์แล้วทีนี้ปัญญาที่ทั่วชัดก็บอกปัจจัยต่างๆให้เห็นชัดไปทั่วแล้วเจตนาในทางวินัยก็จัดตั้งวางลำดับการทำเหตุปัจจัยเหล่านั้นเหล่านั้นไว้เป็นแบบแผนเป็นกฎระเบียบให้ทำกันไปได้เรื่อยๆแม้แต่คนที่ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะมีปัญญา ก็ใช้ระบบสมมติของวินัยเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างที่ผู้มีปัญญาจัดตั้งวางไว้ตอนนี้กระบวนเหตุปัจจัยของธรรมก็มาเป็นบัญญัติในระบบของวินัยให้ทำเหตุปัจจัยที่ดีๆเหล่านั้นกันไปได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนนานถึงตอนนี้ก็มาบรรจบคำบอกข้างต้นที่ว่าคนทํากรรมชั่วฝ่ายทําว่ามีกฎธรรมชาติเป็นกฎแห่งกรรม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 ถ้าพระเกิดทะเลาะกันขึ้นก็มีวิธีระ ง, งับอธิกรณ์คือดำเนินคดีเพื่อตัดสินความผิดและลงโทษกันโดยที่ประชุมสงฆ์ทํากรรมที่บัญญัติจัดวางไว้เอามาทำให้เสร็จสิ้นไปไม่ให้ต้องรออยู่อย่างนั้นถ้ามีคดีเกิดขึ้นแต่ไม่ดำเนินการก็เอาผิดกับพระที่ไม่ดำเนินการอีกจะไปอ้างว่ารอให้กรรมจัดการพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต วินัยไม่ให้รอเพราะวินัยก็มีกรรมที่จะนํามาใช้จัดการได้ทันทีขอให้ดูเรื่องสังฆกรรมต่างๆซึ่งรวมถึงนิกฐากรรมจํานวนมากในพระวินัยปิดอกเป็นอันว่ามีหลักที่เป็นระบบใหญ่สองอย่างคือธรรมกับวินัยในเรื่องของสังคมถ้าผิดวินัยจัดการทันทีหมายความว่าวินัยมีวิธีจัดตั้งสมมติและดําเนินการตามสมมติ เพื่อให้ธรรมสำเร็จเป็นผลในสังคมมิฉะนั้นในที่สุดถ้าเราไม่เอาใจใส่การปฏิบัติตามธรรมก็จะคลาดเคลื่อนไปและสังคมก็จะคลาดจากธรรมอย่างไรก็ตามจะต้องทำความเข้าใจลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งกล่าวคือแท้จริงนั้นที่พูดว่าวินัยไม่รอธรรมเช่นเมื่อมีพิสุทธิ์ความผิด วินัยและสง์จะไม่รอให้กรรมแท้ตามกฎธรรมชาติแสดงผลแต่สงจะนำเอากรรมสมมติตามวินัยมาใช้จัดการกับพิสุนั้นทันทีการที่พูดอย่างนี้นับว่าเป็นสำนวนพูดในระดับหนึ่งทั้งนี้จะต้องไม่เข้าใจผิดไปว่ามนุษย์แย่ตัวเองพ้นเหนือกฎธรรมชาติได้ความจริงมีเพียงว่าการจัดตั้งต่างๆโดยสมมติและปฏิบัติการต่างๆในทางวินัยทุกอย่างนั้น ที่แท้ก็คือความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่นำเอาปัจจัยอันเป็นธรรมชาติในฝ่ายของตนเองเข้าไปเป็นส่วนร่วมในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่มนุษย์ในทางที่ดีงามพึงปรารถนาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าวินัยหรือระบบสมมติทั้งหมดก็คือการที่มนุษย์นาเอาปัญญาและเจตจำนงซึ่งเป็นคุณสมบัติธรรมชาติอันวิเศษที่ตนมีอยู่ มาเพิ่มเข้าไปเป็นปัจจัยพิเศษในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติเพื่อให้กระบวนการของเหตุปัจจัยนั้นดาเนินไปในทางที่จะก่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตและสังคมของตนโดยสอดคล้องกับปัญญาและเจตจานงของมนุษย์นั่นเองปัญญาและเจตนาหรือเจตจานงที่ประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆนั้นก็เป็นธรรมชาตินั่นเองแต่เป็นธรรมชาติด้านนามธรรม และเป็นธรรมชาติส่วนพิเศษซึ่งเกิดขึ้นด้วยการฝึกศึกษาพัฒนาที่เป็นศักยภาพของมนุษย์ผู้สันส้นๆว่าวินัยคือการนำเอาปัญญาและเจตนาที่เป็นธรรมชาติพิเศษของมนุษย์เข้าไปร่วมเป็นปัจจัยที่จะผันแปรกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติให้เป็นไปในทางที่จะเกิดผลดีแก่ตนในเชิงสังคมความพิเศษและความประเสริฐของมนุษย์ที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาอยู่ที่นี่ ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักใช้คุณสมบัติเหล่านี้ให้เป็นปัจจัยความเป็นมนุษย์จะมีประโยชน์อะไรการที่กิจกรรมต่างๆเกิดจากปัญญาและเจตจำนงหรือเจตนาของมนุษย์จะเป็นปัจจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งจะชักนำให้กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยทั้งหลายดำเนินไปในทางที่จะก่อให้เกิดผลดีแก่มนุษย์ตามความต้องการของปัญญาและเจตจำนงได้จริงนั้น ย่อมเป็นข้อเรียกร้องหรือบังคับอยู่ในตัวว่ามนุษย์จะต้องพัฒนาปัญญาและเจตจำนงในจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาปัจจัยต่างๆให้นำไปสู่ผลที่ต้องการได้จริงทั้งนี้สังคมหรือสังคะานั้นก็จะต้องมีสามาคีที่จะยอมรับถือตามสมมติและปฏิบัติตามบัญญัติที่ได้ตกลงวางไว้โดยพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระบบของวินัยนั้นจึงจะสำเร็จผลที่จะให้เป็นไปตามธรรมดังที่ประสงค์ด้วยดีทบทวนอีกทีว่ากรรมมีสองแบบคือหนึ่งกรรมในธรรมที่เป็นกฎธรรมชาติ 2. กรรมในวินยัยที่มนุษย์ตั้งขึ้นโดยสมมติในทางวินยัยถ้าพระธรรมผิดชุมชนคือสง์ ก็มีกรรมสมมติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นสิขาบทที่จะนำมาใช้จัดการได้ทันทีและต้องจัดการโดยไม่รอกรรมในกฎธรรมชาติทั้งนี้เพราะว่าถึงตอนนี้เราได้นำเอากรรมสมมติที่เกิดจากปัญญาและเจตนาของมนุษย์มาเป็นปัจจัยร่วมที่เพิ่มเข้าไปเป็นกรรมในกฎธรรมชาติด้วยแล้วอันหนึ่งพึงเข้าใจด้วยว่ากรรมสมมติหรือกรรมทางวินัยนี้ นี่ใช่มีเฉพาะกรรมในการลงโทษหรือในการแก้ไขระ ง, งับปัญหาเท่านั้นแต่กรรมในทางก่อเกิดเกื้อหนุนก็สุดแต่จัดตั้งขึ้นมาดังในสังฆกรรมทั้งหลายมีอุปสัมบทกรรมอุโบสถกรรมประวารณากรรมและบรรดาสมมติกรรมในการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ทําการสงหรือผู้รับผิดชอบกิจาการของส่วนรวมเป็นต้นรวมอยู่ด้วยทิ้งท้ายว่าท่านผู้มีปัญญาเยี่ยมยอดแจ้งประจักษ์ธรรม ถึงสัจจะสูงสุดตรัสรู้แล้วแต่หยุดแค่นั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าแต่คือแค่ปัจเจกพุทธหากอาศัยมหากรุณาก้าวไปใช้วินัยบัญญัติจัดตั้งและดำเนินกิจการในระบบสมมติให้ชุมชนให้สังคมให้มวลประชาชาวโลกได้รับประโยชน์จากทมด้วยจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้จัก และได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาคุม้มจึงไม่ใช่แค่ถึงธรรมถึงธรรมชาติแต่จัดวินัยจัดสังคมได้ด้วย